อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาธิพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันเสาร์ด้วยรายการธรรมาราบุรุนเหมือนเช่นเคยนะค ะ, ะวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งปีมาเมียค่ะก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักกัจฉานะคะหรือว่าสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันก็จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาซักถาม ปัญหาธรรมะหรือว่าที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะคะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลอ ภ, ภิปุโนโค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรม ตามหลักสูตรการรีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอด์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เป็นประจำสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการนั้นก็คงจะทราบว่าทุกเสราร์อาทิตย์ดิฉันก็จะได้มีมีบุญมีวาสนาแหละที่จะมาทาหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาพูดคุยธรรมะกับ พระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโ น, โนของเรานะคะโดยมีพระเดชพระคุ ળ หลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระคุ ળ สิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกนั้นท่านเป็นองค์ที่ปรึกษาของรายการธรรมราราปุลของเรานะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำมศการพระอาจารย์พระมหาภัยบู์อภิปุโ น, โนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบน้ำสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขา สาเจ้าคะ่ะเช้าวันเสาร์นี้ก็มีคำถามของคุณผู้ใช้นามว่าเด็กวัดนะเจ้าค่ะ่าถามมาก็ก่อนที่จะถามปัญหามานั้นเนี่ยคุณเด็กวัดก็ได้กล่าวชมนะเจ้าคะ่ะยมขออนุ ญ, ญาตเรียนนิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดยังไม่ทราบว่าทางรายการของเรานั้นเนี่ยได้มีเาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์เ e ียวธรรมะ c o m จึงก็คิดว่าเป็นเว็บไซต์ที่ได้นำสิ่งที่ออออากาศทั้งหมดของเราในรายการนะเจ้าคะรวมทั้งที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะมาพูดคุยเทศทุกวันนะนะัน่ะนไปให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้สามารถฟังย้อนหลังกันได้ซึ่งทางคุณเด็กวัดก็ชมมาสําหรับหน้าตาของเว็บของเราที่ได้ปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยเจ้าคะ่ะหน้าตาเว็บนั้นมีการจัดเรียงเมนูการจัดทาเนื้อหา ที่นำมาโพสต์ในเว็บนี้เนี่ยดเูเรียบง่ายแต่ว่าน่าสนใจน่าอ่านไม่ฉูดฉาดสบายตาอ่านง่ายเข้าใจง่ายก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆน้องๆทุกคนที่เป็นทีมงานของพระอาจารย์รวมทั้งพระอาจารย์เองนะเจ้าคะที่ได้จัดทำเว็บนี้ขึ้นก่อนที่จะพูดคุยถามปัญหาก็ ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดถึงเว็บไซต์เพียวธรรมะ o m ของเราสักนิดหนึ่งดีไหมเจ<ช>้าคะจริงๆเว็บไซต์นี้ก็คือเป็นที่ที่ให้ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นทางรายการวิทยุที่ออกอากาศของวิทยุประเทศไทยที่เราพูดถึงรายการธรรมารับรุ่นนี้น ะ, ะแล้วก็ยังมีคลื่นของวิทย์ Thailand ที่เป็น2ภาษาธรรมาก็ออกอากาศทางนู้นด้วย fm 8ป fm ใช่่แล้วก็นอกจากนี้คือเนื่องจากเนื้อหามันเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็จะต้องมอีที่เป็นข้อความเป็นเนื้อหาคือเป็นบทคัยดย่อสรุปไว้แต่ละตอนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถไปเลือกฟังเสิร์ชค้นหาได้แอแันนี้คือสำหรับท่านผู้ฟังที่สะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ com ก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆให้เลือกรับชมรับฟังได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของของธรรมะตรงนี้ นอกจากนี้ธรรมาก็ยังมีรายการอีกอันหนึ่งที่เป็นเฉพาะภาพออนไลน์นะก็คือเอาพระสูตรที่อยู่ในประเทรปิฎกเนี่ยมาศึกษาในช่วงของการศึกษาสุดตันต์โดยการที่จะอ่านพระสูตรแล้วก็มีบ ท, บทวิเคราะห์บทอธิบายทีนี้อย่างในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์ที่รายการธรรมรบรุนเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วสมัยคือการฟังธรรมคาพุทธะทีนี้เนื่องจากข้อจํากัดเรื่องเวลาคือเรามีประมาณสามสนาที ทีนี้ว่าในภาคออนไลน์เนี่ยมันก็จะไม่มีข้อจํากัดตรงนี้มันก็จะไปได้เรื่อยเพราะฉะนั้นบางทีข้อมูลอย่างเช่นเราต้องการติดตามการอ่านนะคือฟังก็ได้ระดับหนึ่งอ่านมันก็ได้อีกแนวหนึ่งใช่ไหมด้าะะ น, นที่เว็บไซต์นี้ก็จะมีข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติมอืแต<ล>่ถ้าเปื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหลกเล่นปฏิบัติธรรมก็จะไปที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนหายโศกก็คือ w p d h s org เจ้าค่ะ อันนั้นก็จะมีรายละเอียดเลยว่าแต่ละเดือน<ะ>เราจะ อ, อะไรเจ้าค่ะต้องเอาอะไรแบบบ้างแล้วก็สิ่งที่ว่าจะเตรียมให้มีอะไรสมัครออนไลน์ก็ได้ที่ที่เว็บไซต์ wpdhs.org เจ้าค่ ะ, <HS>. คะอันนี้ก็เรียกว่าให้ความสะดวกกับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยนะเจ้าค่ะ ที่สนใจจะศึกษาพระธรรมคําสอนของอ ง, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางมากขึ้นหรือว่าจะมาสนใจปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์พระมหาภายัยบุญอภิปุโนและประเดชพฤกขุหลวงพรร่อดรสะอาที่ตัวพระโส ท, ที่วัดป่าดอนหายโศกที่อยู่ที่อําเภอหนองหานจังหวัด อ, อุดรธานีนะเจ้าคะ่ะก็เรียกว่าเข้ามาในเว็บไซต์นี้ได้แล้วทั้งสองอันก็จะได้รายละเอียดทั้งหมดเลยเจ้าคะ่ะใช่ไหมสาธุเจ้าคะ่ะซึ่งเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็น ทางสงป ป, ปลาวด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าปานใช่ใชเจ้าค่ะปีที่ผ่านมานี้ก็มาร่วมองค์กรถินคณะใหญ่มาเลย<ช>จากสป ป, ปลาวนะเจ้าค่ะเจ้าปานเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้เรามาถึงคําถามของคุณเด็กวัดนะเจ้าค่ะซึ่งโยมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านรวมทั้งตัวโยมเองเนี่ยก็อยากที่จะรับทราบในรายละเอียดเหมือนกันเจ้าค่ะ ที่ว่าเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกสอนนะเจ้าคะว่าทําให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไป อ, อันนี้นี่พระอาจารย์ก็เคยพูดนะเจ้าคะแต่นี้คุณเด็กวัดก็ถามมาคิดว่าตรงใจกับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านรวมทั้งตัวโยมเองด้วยว่าการที่ครูบาอาจารย์พูดเช่นนี้คือบอกว่าทําให้ละเอียดยิ่งย่งขึ้นไปนั้นเนี่ยคําำนี้เนี่ยมีความหมายกว้างแคบ ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนในแง่ของการปฏิบัติทั้งศีลสมาธิปัญญาเจ้าค่ะเพราะว่าคุณเด็กวัดคิดว่าคำคำนี้เนี่ยน่าจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากไปกว่าการที่พวกเราเราเนี้ยเข้าใจจึงอยากจะกราบนัสศการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาภัยบณ์อภิปุโนได้เมตตาที่จะ ขยายความให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัติอย่างละเอียดยิ่งๆขึ้นไปอย่างที่ครูบาอาจารย์หรือพระอาจารย์ได้สั่งสอนเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะคำว่าละเอียดยิ่งขึ้นไปถ้าเราจะใช้คําที่เป็นพุทพธพจน์พระบรชาได้ตรัสไว้ตรงส่วนของอมรรคนะคือความจริงอกำประเสบเรื่อง ท, งทางให้ถึงความดับทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ควรแต่ไม่เจริญ คาว่าทําให้เจริญก็คือทําให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปนั่นเองผล <Okay. S 1> การว่าทําให้เจริญหรือว่าทําให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปก็คือทําให้มันดีๆยิ่งขึ้นเอ๊ะเราจะทํายังไงให้มันดีๆยิ่งขึ้น <Okay. S 1> อย่างคุณใจอย่างเงี้ยหรือท่านผู้ฟังก็เดินได้ก็วิ่งได้เพราะมีขาถูกไหมแต่เรา <Okay. S 1> มีขาเราก็เดินได้ก็วิ่งได้แต่ถ้าเราจะให้เราไปเต้นนะเต้นแบบที่พวกนักแสดงกายกรรมเขาเต้นกัน <Okay. S 1> หรือว่าพวกที่นักทํายิมนาสติกเนี่ย mm hmm. เขาตีลังกาตลดโลดโพ้น แล้วก็หมุนทวิสแบบชนิดที่ว่าลงมายืนขาเดิมได้อย่างเงี้ยโอ้โห ค, คนที่เดินธรรมดากับวิ่งธรรมดานี่ก็คงจะทำไม่ได้ล ะ, ะมันจะต้องฝึกซ้อมกันชนิดที่เรียกว่าอีแบบหนึ่งไปเนี่หแม้แต่ถ้าเราขับจักรยานได้เอาก็ขับได้ไม่มีปัญหาคุณขับไปสวนสาธารณะชมนกชมไม้ไปก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะให้ไปขับตีลังกาโลดโผนแบบที่พวกที่เขาขับจักรยานโลดโผนเนี่ย เ <Extreme S 2> อ็กซ์ตรีนะจ๊ะคะซึ่งมันก็ <Okay. S 2> คงจะไม่ได้มันก็ต้องมีการฝึกซ้อมในอีกระบบหนึ่งที่ยิ่งขึ้นไปอันนี้เรากําลังพูดถึงธรรมะอา้าวฉันก็พูดดีคิดดีทดําดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมก็ก <Okay. S 2> ดีแล้วนี้เรากําลังพูดถึงมรรคผลนิพพานเรากําลังพูดถึงนิพพานเรากำลังพูดถึงความที่สิ้นอสวาเรากําลังพูดถึงการที่จะละอวิชชาการที่จะพูดถึงการที่จะตัดตัณหาการทำวิจัยใช่โอมันต้องทํายิ่งขึ้นไปอีกแล้วยิ่งขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเนี่ทยทง เวลาที่เขาเรียนเต้นหรือว่านับยิมนาสติกเขาฝึกซ้อมในการที่จะเล่นยิมนาสติกหรือว่านักแสงกายกรรมหรือแม้แต่คนขับจักรยานนะที่หมุนไปหมุนมาได้เนี่ย <Okay. S 1> เขาฝึกเขาฝึกยังไงเขาต้องฝึกพื้นฐานนี่เขาต้องมีแน่นอนใช่ไหมฝึกพื้นฐาน <Okay. S 1> แต่คนตีกอล์ฟก็ต้องฝึกพื้นฐานก็ต้องมีพื้นฐานเขาทิ้งไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับกายภาพอันนี้พื้นฐานของการปฏิบัติธรรมก็คือเรื่องของศีลพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมคือเรื่องของศีล ศีลนะต่างๆโอ้โหคว่าศีล น, นี่มันก็มีศีลไล่ไปตั้งแต่ธรรมดาธรรมดาศีหาลห้าของเราธรรมดาถ้าไม<ช>่ละเอียดยิ่งขึ้นไปศีลชนิดศีลแปดคุณประพฤติพรหมจรรย์ได้ไหมในรายละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกนะข้อปฏิบัติที่เป็นศีลอันยิ่งที่เป็นเพื่ อ, อสมาธิเช่นอะไรบ้าง เ, าเช่นการรู้ประมาณในการบริโภคนะกินคําสุดท้ายเนี่ยยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องหรือเปล่านี่ น, <ม>นี่ก็สําคัญอันนี้เรื่องของศีลนะใครบอกว่า แค่ไม่ค่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผในการไม่แกล้งกับประเทศไม่ดื่มสุราไม่ไรคือจบมันก็จบอยู่ก็ใช่อยู่แต่เรากําลังพูดถึงความที่มันละเอียดลึกซึ้งเกินไปเพราะฉะนั้นเอาอาหารเข้าปากเนี่ยมันสี น, นะ <Okay. S 1> เอามอันสีแล้วคุณพิจารณาก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็สําคัญแลต่เรากินกี่มือ้อ <c oughs> กินกี่มือ้อลุกขึ้นที่แล้วจบไหมหรือว่าจะต้องคิดว่าอลุกขึ้นครั้นี้จบแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายจะหาอะไรกินอีกอันนี้สีนนะสนีละเอียดนะละเอียดเกินไป หรือหรือแม้แต่การที่นอนกน็คือคือศีนเนี่ยเอาคําตรงนี้หนึ่งว่ามันหมายถึงความเป็นปกติในการดําเนินชีวิตในเรื่องของกายเรื่องของวาจาของเราศีนเนี่ยมีรากศัพท์ที่เขาใช้เป็นปัจจัยในการผสมคําตรงนี้ออกมาเนี่ยหมายถึงความเป็นปกตินะก็คือคุณมีชีวิตดํารงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นปกติอย่างไรแต่ประสงค์นะก็มีชีวิตการดํารงอยู่เป็นปกติว่าทรงผมก็ทรงนี้คือแบบก็เครื่องแบบนี้ กินอาหารก็มือเดียวอย่างนี้เนะี่ยผสมกันอย่างนี้นี่เป็นความปกติที่เป็นลนักษณะของสมณะใช่ไหมทีนี้ถ้ า, าเราจะทําให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องเอาองค์ประกอบพวกเนี้ยมามาใส่เข้าไปด้วยเนะความละเอียดตรงนี้เนี่ยมีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งเอ่อก็มาปฏิบัติที่วัดป่าหน่อยโศกนี่แหละเนะี่ยเพิ่งมาเล่าให้ฟังแต่เขาบอกว่าครบภูมิมาตรั้งห้ารอบแล้วเป็นผู้ชายาเป็นหมอคนนี้เขาเป็นหมอเออขาเป็น เป็นหมอแล้วเขาก็มาห้ารอบแล้วคราวนี้เป็นครั้งที่6กเขาบอกก็รอบที่ห้านี่ผมก็ดีมากแล้วแต่รอบที่หกนี่โอ้ผมคิว่าไม่ได้มันจะดีขึ้นกว่านี้มันก็ยังดีขึ้นกว่านี้ทําไ ม, มเขาทา<ท>อะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขานอนยามเดียวในเรื่องการนอนเนะีคือในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าคุณต้องนอน8ชั่วโมงนะแล้วนยะเขาก็าจะอธิบายไปด้วยเหตุผลอะไรของเขาทางการแบทยใช่ไหม<ท>อ้าวทีนี้พระพุทธเจ้าสอนให้นอนยามเดียวนะีนอนยามเดียวเนี่ยหมายถึงว่าถ้าตอนกลางคืนเราแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนต้นส่วนกลางและส่วนปลายใช่ไหมส่วนต้นของกลางคืนเนี่ยเราก็ตื่นก่อนส่วนปลายเราก็ตื่นคือต้องลุกก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนั้นนอนต้องนอนหลังพระอาทิตย์ตกนีนไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วงต้นกับช่วงท้ายจะต้องเผื่อไว้สําหรับตื่นนอน่ทีนี้ถามว่ายามกลางที่นอนเนี่ยนอนกี่ชั่วโมงมันก็ต้องถึงกลับมาถึงแล้วมันกี่โมงกันแน่ที่บอกว่าแบ่งเวลาช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้าย ช่วงหัวกับช่วงท้ายเราต้องตื่นใช่ไหม <Okay. S 1> และยามกลางเนี่ยมันกี่โมงกันแน่ ừ, แต่ก็มีประสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าคุณก็ต้องนอนแค่ให้มันน้อยกว่าแต่คือช่วงเวลาที่นอนต้องน้อยกว่าช่วงเวลาที่ตื่นของกลางคืนเพราะฉะนั้นส่วนต้นบวกกับส่วนปลายต้องมากกว่าส่วนกลางเจ้าค่ะคือตื่นมากกว่านอนว่างั้นถูกต้องในช่วง12ชัช่วโมงที่พระอาทิตย์ไม่ได้อยู่บนหัวเราเนี่ยที่มีมีแต่พระจันท ร, ร์มืดๆอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะต้องนอนอน้อยกว่าตื่น เพราะฉะนั้นถ้าเราตื่นช่วงต้นกับตื่นช่วงปลายต้งตรงช่วงกลางก็ต้องน้อยกว่า6ชัช่วโมงช่วงต้นกับช่วงปลายก็ต้องมากกว่า6ชั่วโมงเนนั้สมขออนุญาตกลับเรียนถามด้วยไหเจ้าค่ะว่าแต่ละยามนั้นเนี่ยตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนนะเจ้าค่ะโอเคถ้าสมมุติว่าเราพูดถึง6ชั่วโมงพอดีหกชั่วโมงพอดีหกโมงเย็นถะึงสามทุนะ่มนะแล้วก็ตีสามถึง6กโมงเช้านะนะนี่คือสมมุติถ้าจะแบ่งเป็น3ส่วนให้มันพอดีพอดีกันนะ3ส่วนส่วนแรก กัส่วนปลายรวมแล้วได้6ชั่วโมงเท่ากับส่วนกลางส่วนกลางก็คือตีสามสามทุ่มถึงตีสามอย่างงี้ก็ได้หรือคุณจะ4ีะ่ทุ่มถึงตีสี่ก็ได้เะนั้นสมมุติส่วนแรก6กโมงเช้ า, า6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มส่วนปลายก็ตีสี่ถึง6กโมงเช้ า, าตีสี่ต้องตื่นแล้วนะถ้าจะนอนก็นอนสี่ทุ่มถ้าเป็นลักษณะนี้เอาแค่6ชกชั่วโมงพอดีอเอามางคนน้อยกว่านั้นไปอีกห้าชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงพอซึ่งคุณหมอคนนี้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ย ก็บอกว่าผมนอนสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ไม่นึกว่ามันจะเกี่ยวก็ไม่นึกว่ามันจะช่วยได้โอ้แต่มันมทําให้จิตใจดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านๆมาอืมหรือเจ้าะใช่อันี่เขาทดลองทำดูแล้วก็คือเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ว่าอับบรรยกะปฏิปตาหรือคือข้อปฏิบัติตตที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียมีแต่จะดีต่าเดียวนั่นคือการนอนยามเดียวและไอ้เวลาที่นอนเนี่ยน้อยกว่าเวลาที่ตื่นในช่วงกลาง ค, คืนอันนี้ก็ทําให้ละเอียดทําห้ละเอียดจิตใจก็ดีขึ้นนะ เขาก็ละเอียดลงนะในเรื่องของจิตใจอันนี้แค่เรื่องสีนะเรื่องศียังรวมถึงการสํารวมอินทรีย์แต่สังรวมอินทรีย์เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูนะไม่ให้จิตขอเรามันววกว่าออกไปตามสิ่งที่เห็นทําไมคนนี้คุยกันทําไมคนนี้คุยเสียงดังเราไม่แบบไปคิดเรื่องพวกนั้นเลยเจ้า<ช>อันนี้จะช่วยได้ถ้านมาอีก<ช>เรื่องการมีสติสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะในทุกๆเอเรียบท นะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดเข้าห้องน้ําการคูการเหยียดห่มผ้าหรือว่าใส่เสื้อผ้าอาบน้ําพวกนี้คุณมีสติอยู่หรือเปล่านะพวกนี้เป็นศีล น, นะเป็นศีล เ, เป็นส่วนของศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้อาจมาพูดแค่เรื่องของศีลอยูนะเนี่ยคุณจะใจะนะว่าอยังครอบคลุมทุกอย่างเลยนะเจ้าคะใช่ใชคือทําให้ละเอียดทําให้ละเอียดตรงนี้ก็คือทําให้มันดีๆยิ่งขึ้น น, นอกจากนี้เรื่องความสันโดษอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลความสันโดษเป็นยังไงก็คือพอใจตามมีตามได้มีเท่าไหร่ก็พอแค่นั้นจบยกตัวอย่างเช่นเขาเอาข้าวไข่เจียวมาให้เรากินเออข้าวไข่เจียวก็โอเคนะแมมแต่มันน่าจะมีซอสปริกสัหน่อยเดี๋ยวไปเอา<ม>ขอซอสปริกเขามากินแล้วก็ขอซอสปริกก็มันไม่ น, น่าจะผิดอะไรนะแต่มันไม่สันโดษคือ ถ, ถ้าเราจะพูดให้มันเอียดลงไปอีกเนี่ยก็คือว่าคุณได้มาไงก็คือจบก็ไม่ต้องไปขอซอสปริกเขา หรือถ้าได้ข้าวไข่ดาวก็ต้องไปขอพริกน้ําปลาเงก็ไม่ต้องก็จบแค่นั้นแล้วก็กินพอเท่านั้นที่จบอย่างเงี้ยคือสันโดษเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษตามมีตามาได้อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติอีกันหนึ่งเหมือนกันะนะคืออันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ได้ตั้งเป้านะเราก็ตั้งเป้าในการปฏิบัติของเราไปแต่ว่าได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นนะตามนั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของศีลในเรื่องของจิตก็มีขึ้นไปอีก เรื่องจิตสมาธิขั้นต่างๆเอาสมาธิขั้นต่างๆมันก็เป็นไปตามกระบวนการเอาการเข้าสมาธิล่นะแต่คุณมีสติสนะัมปชัญญะรู้ตัวไหมว่าเฮ้ยเข้ามาสมาธิตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คุณมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวไหมว่าออกสมาธิตอนไหนนะหรือตัวเองยินดีในการอยู่เรือนว่างยินดีในการหลีกได้ไหมนะทําจิตให้มันยินดีตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้มันละเอียดเกินไปแม้ทําไมบางทีมันอยากคุยอยากพูดอา้าวจิตตรงนั้นแสดงว่ายังไม่ละเอียดอา้าว เขี่ยมันออกกระจัดมันออกมันก็จะละเอียดลงไปนี่คือเรื่องของจิตอืมแล้วยังพูดถึงการที่เราอยู่ในสมาธิเนี่ยอคุณเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหมเนะี่ยพวกนี้ก็จะเป็นที่ทําให้เราฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธนะิหรือว่าถ้าเราจะทำให้ละเอียดลงไปคุณเห็นอาพาธหรือเปล่าว่าในสมาธิเนี่ยบางทีมันมีอาพาธเช่นว่าเราก็นิ่งๆอยู่เนี่ยนะเอ๊ะบางทีความคิดมันผ่านเข้ามาเออมันก็คิดเรื่องดีนี่ก็ไม่ได้จะเป็นอะไร แต่นั่นเป็นนาพาธถ้าถ้าเรามองไม่เห็นก็ยังไม่ละเอียดเราก็ต้องมองให้เห็นอถมาก็ยังเป็นเรื่องของการฟังธรรมส่งสุดตาสังสมสุดตาไหมถ้าเราฟังอุยเรื่องนี้เบื่อฟังมาแล้วไม่อยากฟังอ่าอ้าแสดงว่าไม่ได้ทําให้ละเอียดเราก็ต้องฟังไปความคิดตรงนั้นก็ต้องล้ะออกแต่ที่ว่าเบื่อเซ็งไม่อยากฟังะเพราะนั้นเป็นนิวรณ์ฟังไปก็ต้องเห็นมุมนั้นเห็นมุมนี้เนเป็นการสะสมอาวุธไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นข้อปเหตุเหตุปัจจัยอีกันหนึ่ง เ, เกี่ยวกับเรื่องปัญญานะปัญญานี่ก็มีศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้นะคือจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งนะปัญญาอันยิ่งบางทีเรานั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ได้สงบตลอดเวลาคุณเดินใจมันก็บางมีบางจังหวะบางทีบางจังหวะที่มันไม่สงบแล้วถ้าไม่สงบเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงอันนี้เป็นปัญญานะ <Okay. S 1> อะืถ้าเราไม่เห็นว่า โอ้ยชี้ฉันนั่งมันก็ไม่สงบนะทําไมคราวนี้ไม่สงบทําไมตอนเช้าสงบพอตอนบ่ายมันฟุง้งซ่านโอไ้ไม่ดีไม่ดีอ่าแสงว่านั้นไม่ได้ทําปัญญายิงไม่ได้ทําปัญญาให้ละเอียดถ้าเราทำให้ละเอียดเราก็เห็นว่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่เที่ยงอเจ้าค่ะคือแทนที่มันจะเกิดเป็นเครื่องกังวลใจเครื่องกวนใจนั่มันกลายเป็นปัญญาให้เราทันทีว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะใช่จริงด้วยนะตอนเช้าสงบตอนบ่ายไม่สงบโอ้มันไร้สาระจริงเลย นะวางซะเนะี่ยวางซะอย่างเงี้ยอืเจ้าค่ะเราเห็นเนี่ยมุมต่างๆให้ละเอียดเนะริเห็นคนที่เขาด่ากันเขาว่ากันเขาทาชั่วทําบาปอย่างเงี้ยเอาหน้าที่เธอทําไมมาแย่งหน้าที่ฉันทำํำ เ, เรามองมุมใหม่มองมุมในลักษณะที่เออเขาก็มีจิตใจดีนะช่วยงานเราทํานะ่ยก็ดีกว่าเขาไม่ช่วยก็าอาจจะช่วยผิดๆถูกๆออาแล้วก็ค่อยบอกค่อยสอนเอาอย่างเงี้ยจิตใจเราก็สูงขึ้นเนะี่ยเป็นปนัญญาชนิงเจ้าค่ะ หรือเราเห็นคนที่เขาทําไม่ดีไม่ดีเลยชั่วมากๆคนนี้เป็นคนพาลด้วยนะแต่ล้วก็แทนที่เราจะกังวลใจรู้สึกตะขิตตะขวงใจว่าทําไมมันต้องมาอยู่ที่นี่ทําอย่างนี้ทําให้เรากวนใจเราก็มองให้ถูกมุมว่าเอออันนี้เป็นเครื่องขลูดกล่าวนะเขาทําอย่างนี้เราจะไม่ทําอย่างนีนะ้เราจะปิดกั้นเขาด้วยความอดทนเหนะมือนการกีดกันคนพาดอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นคุณธรรมที่เราทรงได้มองได้จากอีกมุมหนึ่งทําให้จิตของเราเนี่ยจะละเอียดขึ้นไปสูงขึ้นไป อืมเจ้าค่ะดังนั้นคําว่าละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือว่าเราจะคิดพิจารณามากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็สามารถละวางอสิ่งที่แว บ, บเข้ามาในสมองของเราหรือการปฏิบัติของเราเนี้ยได้ยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมเจ้าคะอารคือมั น, น, ค, มนคือมันเรื่องของการพิจารณานี่ก็เป็นเรื่องปัญญาอย่างที่ว่าเจ้าค่ะเรื่องของศีลใ น, นเรื่องของศีลก็มีข้อปฏิบัติที่พูดถึงเช่นการรับประทานอาหารเนแต่พอดอีการที่นอนยามเดียว การรูปประมาณในการบริโภคอ พ, <ช>พวกนี้ช่วยได้อันนี้ก็เป็นความละเอียดในเรื่องของศีล<ช>ความละเอียดในเรื่องของสมาธินะเช่นว่าคุณเข้าสมาธิชา้ากลางวันเย็นไหมคุณเข้าสมาธิในมีสติในการเข้าสติในการดารงอยู่มีสติในการออกไหมอันนี้คือความละเอียดในเรื่องของสมาธิ<ช>แล้วชาันแต่ละขั้นนะทําให้องค์ประกอบมันครบหรือเปล่านะเช่นเรื่องของปีติสุขนะทั่วทั้งตัวไหมตั้งแต่ ลายผมจนถึงปลายเท้าเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีปีติไม่มีสุขถูกต้องเลยไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นความละเอียดนนในเรื่องของฌานสมาธิแล้วเรื่องการดรํารงอยู่ในสมาธิล่ะว่าคุณสามารถดำรงอยู่ตามที่ต้องการได้ไหมเรื่องของการเดินจงกรมก็ทําด้วยอย่างเงี้ยมันมันก็ทําให้ละเอียดยิง่งยิ่งไปทํารถไอสิ่งที่พูดมาเนี่ยบางทีพูดไปก็อาจจะไม่เกตหรืออาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอยังไง เพรา ะ, ะ น, นี้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะคุณใหญ่เป็นขั้นเป็นตอนอคือคือคนคที่ยังไม่สามารถที่จะรักษาศีลแปดได้เว้นจากการเรับประทานอาหารยามวิการอย่างเงี้ย น, นะคะถ้าจะมาพูดถึงว่าโอ้งั้นก็กินอาหารพอดีท้องเนกินอาหารให้มันมีช่องว่างหรืออยู่ในท้องเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรก็ฉันยังกินข้าวเย็นอยู่มันก็จะไม่เก็ตมันก็จะไม่เก็ตแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่จะทําให้ละเอียดลงไปได้เจ้าค่ะ ทีนี้ที่พระพุทธองค์สอนว่าให้กินอาหารหรือว่าทานอาหารให้มีช่องว่างในท้องเนี่ยนะเจ้าคะ เ, เหตุผลต้องมีแน่นอนใช่ไหมเจ้าเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าขาอ อ, อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าเราไม่อิ่มจนเกินไปเราก็คงจะสามารถทําความเพียรได้ได้มากขึ้นอันนี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ใช่มันจะประเด็นคือเรื่องของเวทนาว่าความรู้สึกในกายเนี่ยมันก็จะเบาบางกว่าคนที่กินอิ่มหนักแน่นเกินไปเจะะ้าค่ะอเพราะว่า กินอิ่มหนักเกินไปเนี่ยแน่นเกินไปเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนถั่วถูกแช่น้ำผ่องอหรือถั่ ว, ถ, วถั่วเขียวหรือถั่วเหลืองนะคุณตาใจสมัยตีเด็กกันมาเคยช่วยแม่ทําน้ำเต้าหู่อื่ะก็ง ง, ง, งว่าเม็ดเล็กๆนิดเดียวแล้พอแช่น้ํำข้ามคืนอ่ะโอ้โหมันใหญ่เป็นสองเท่าอืมมันใหญ่บา น, นะะขึ้นมามันบานขึ้นมาโอ้มันเป็นไปได้งไงเออก็งงงพระพุทธเจ้าพอตรัสมีพุทธพจน์ตรงนี้ที่พูดถึงว่าคนที่กินอิ่มเนี่ย ก็จะมีความรู้สึกเหมือนเมล็ดทว่วถูกแช่น้ําพองทําอะไรไม่ได้ก็นอนเสียอย่างเงี้ยอืมเจ้าค่ะก็จบละก็นอนก็อย่างที่ชาวบ้านเราบอกนะเจ้าค่ะว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนทันทีใช่ใช่ปฏิบัติสมาธิอะไรก็จะง่วงไปเลยนะคะแล้วก็ยังรวมถึงอันนี้ด้วยเรื่องของเอ่อคนทางทางชีววิทยานะเรื่องของทางกายภาพเนี่ยเอ่อนักผู้ชนาการหรือว่าหมอเนี่ยเขาก็จะทราบอยู่แล้วว่าเวลาที่ร่างกายเราย่อยอาหารเนี่ยมันจะผลิตแก๊สออกมาในท้อง แบบผลิแก๊สออกมากในท้องถ้าคือท้องเราแน่นเกินไปเนี่ยมีพวกแก๊สผสมอยู่มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนี่ลดลงและ ก, ก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นร่างกายของเราอืแต่ทีนี้ถ้าเรามีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องนะให้แก๊สเนี่ยมันไปรวมอยู่ตรงนั้นแต่ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารก็จะมากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีแก๊สที่มันปันผสมอยู่ในในอาหารที่มันย่อยอยู่ในท้องเราอเก็จะมีที่มันเก็บไป มันก็จะก็จะมีประสิทธิภาพเราก็จะใช้พลังงานน้อยลงพลังงานเราก็จะเหลือไปในการที่จะตื่นพลังงานเราก็จะเหลือในการที่จะทําความเพียรเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างอันนี้จะช่ว ย, วยได้ที่เราพูดนี้เฉพาะเรื่องงานกินนะเฉพาะเรื่องงานกินอันนี้คือกินแล้วตอนที่กินเสร็จนะแล้วตอนก่อนกินเนี่ยก่อนกินเนี่ยพิจารณาก่อนหรือเปล่าแต่ว่ากินไปเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้มันอร่อยลิ้น แม้เช่นแค่เราจะคิดว่าอืมเอาผักนี่นะเดี๋ยวต้องจิ้มกับน้ําจิ้มนี้มันท่าจะโอเคเจ้าค่ะจะอร่อยอ่ามันมันไปทางลิ้นแล้วไปทางลิ้นแล้อ่าเจ้าค่ะกินเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าน่ยกินเฉพาะอด้วยจิตที่เหมือนกับกินเนื้อลูกตัวเองเนี่ยไม่ได้จะต้องจะกินว่าอันนี้จิ้มกับนี้แล้วอร่อยโอ้มันละเอียดนะคุณเธอใจอ่ามันมันเป็นเรื่องที่เราจะพิจารณาได้เจ้าค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะตอนจะกินตั้งแต่ตอนคุณก่อนต่างอาหารนู่นน่ะเจ้าค่ะกแต่ตอนต่างอาหารน่ะว่า ตักที่เฉาะที่ชอบเปล่าหรือ <Okay. S 2> พิจารณาว่ า, างไงจะตักอาหารเนี่ย mm hmm. จะตักอาหารเนี่ยคิดหรือเปล่าว่าไม่เบียดเบียนใครเต่ไม่ใช่ว่ากินนี้แล้วมันจะดีต่อชาติธาตุของฉันกินอันนี้แล้วเขาจะมีศรัทธาหรือฉันชอบกินอันนี้ฉันจึงตักอันนี้แต่ค mm ุณ hmm. พิจารณาอย่างไง ต้องต้องพิจรารณ나ายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์อออยอมยอมอยากจะถามตรงนี้เพราะว่าหลายท่านที่ไปปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ที่มีชีวิตอยู่ทั่วๆไปเนี่ยเจ้าค่ะจะได้รับทราบแล้วก็จะได้นํามาปฏิบัติได้จเจ้าค่ะพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยเราจะรับประทานอาหารก็คือพิจรารณาว่าเพื่อที่จะดับเวทนาคือความหิวเวทนาเก่าก็คือความหิวเวทนาเก่าก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่นี่คือเราจะรับประทานในลักษณะที่ไม่ให้สิ่งเนี้ย มันเกิดขึ้นให้สิ่งนี้มันดับไปแดีวเราก็ป้องกันเวทนาใหม่ป้องกันเวทนาใหม่คืออิ่มจนดึดอาอหรือโรคภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะอาหารหรือว่าความหิวตอนบ่ายเราต้องรู้จักวิธีการาารับประทานให้มันเหมาะสมคือเราต้องคอยที่จะปรับให้มันเหมาะสมเราต้องรู้จักสังเกตอาหารที่เรากินเข้าไปรู้จักสังเกตสภาวะร่างกายรู้จักสังเกตสภาวะจิตเดตัวนี้คืออาศัยความละเอียดรอบคอบในการทำํำอันนี้คือเรื่องการกินที่เราพูดกัน นี่นหน่นอยตรงนี้นะคุณเฉินใจนะยังมีเรื่องอื่นอีกทำว่าละเอียดเนี่ยเพื Terror, ну, trailer, ่อเป็นการสรุปตรงนี้ท่านผู้ฟังทราบข้อมูลว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องปากท้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องศีลไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสำรุมอินทรีย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการนอนยามเดียวไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการอยู่สันโดษไม่ใช่เฉพาะเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ยังรวมถึงเรื่องของใจจิตอันยิ่งการเข้าสมาธิการดำรงอยู่ในสมาธิการออกจากสมาธิเหตุปัจจัยต่างๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของจิตยังรวมถึงเรื่องของปัญญาอันยิ่ง นะปัญญาอันยิง่งเช่นวาการที่เราจะเห็นแง่มุมนั้นเห็นแง่มุมนี้ของสิ่งที่เป็นกุศลอนะกุศลที่เกิดขึ้นการที่เราจะพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงได้ตลอดเวล า, าหรือแม้ผลที่เป็นปัญญาอันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเช่นคเครื่องรู้คเครื่องเห็นต่างๆพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นการทําให้มันละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาศีลนะ ส, สมาธิปัญญาที่บุรุชาตพูดเอาไว้ก็คือเรื่องของศีลอันยิ่งเรื่องของสมาธิอันยิ่งเรื่่อองงปััญญานยิ เนี่ยมันก็มีที่ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นคำว่าละเอียดเนี่ยโอ้โหเราก็อธิบายกันอตอนนี้ก็ได้คร่าวๆแค่นีเ้เพราะฉะนั้นคิดว่ า, าความละเอียดยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยมันมีมันมีมนมซึ่งก็คืออยู่ในอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือการทําให้เจริญในอริยมรรคมีองค์แป ริยมรรคมีมรคแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่นเองเดเราทํามรรคแปดให้มันดีมากยิ่งขึ้นละเอียดมากยิ่งขึ้นเดนะมันก็จะทําให้มีความเจริญในมรรคแปดจเจริญในมรรคแปดแล้วนะวิชาบิมุติก็เกิดขึ้นพอเกิดวิชาบิมุติขึ้นความชํานาญต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นไปตามลําดับนะก่อนอก่อนที่เด็กเขาจะวิ่งเต้นโลดโผนตีลังกาได้เขาก็ต้องเดินได้ก่อนจะเดินได้กุนก็ต้องคลานได้ก่อนจะคลานได้ก็ต้องตั้งข่ายก่อน นะฝึกมาเป็นตามลำดับขั้นลำดับขั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นง่มุมไหนเราทำาทันทีนะทำติดต่อไม่ขาดสายทั้งหมดทั้งสิ้นตามกระบวนการนี้ต้องมีสติคุณทนาะยสติต้องมีกากับไว้ตลอดแน่นอนอัว้าค่ะสาธุชค่ ะ, คะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิง่งท่านผู้ถามคือท่านเด็กวัดนะคะก็คงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะและแม้แต่ตัวของโยมเองนะชัค่ะ ที่ไปปฏิบัติธรรมมาแล้วตั้งแปดเก้าครั้งเนี่ยก็คิดว่าครั้งต่อไปต้องทําให้ยิ่งยิงขึ้นไปอีกนะเจ้าคะ น, นอกจากว่าคิดว่าแต่ว่าไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวก็ต้องพยายามฝึกให้กล้าแข็งมากขึ้น ท, ทําชุดดงเขวัตรอะไรอย่างที่พระอาจารย์ได้ปิดประกาศบอกไว้นะเจ้าคะนอกนั้นก็ด้วยไม่ได้พูดถึงเลาซ้ำอืมเจ้าคะ่าาคะก็คิดว่าเวลาในรายการเช้าวันนี้ก็หมดลงแล้วนะเจ้าค่ะก็คงจะสามารถ เราฟังได้เพียงแค่นี้แต่พรุ่งนี้เช้าตอนอตี5เรากลับมาพบกันใหม่ซึ่งก็ยังมีปัญหาที่น่าสนใจของอท่านผู้ถามที่ใช้นาว่าเด็ ก, กวัดอีกอีกข้อหนึ่งนะเจ้าคะที่จะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้มาสากกัถาในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับเช้าวันเสาร์ที่22พิพฤศจิกายนนี้ก็คงขอนำอท่าน ฝังทุกท่านกราบน้ำสศกาลขอพระคุณและกราบน้ำสการรลาพระอาจารย์พระมหาพบูบุญอภิปุนโนพระอาจารย์องค์ป่าทกประจํารายการธรรมรับอรุณและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดชิตตัาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าพระกราบขอพระคุณและกราบน้ำมศกาลาเจ้าขาพระชเจ้าขาเดบานสาธุเจ้าคขา